ฟังทำกันทุกวัน <c oughs> ปฏิบัติทมกันทุกวันมีสติทุกโอกาสจะให้มันขาดแขนที่พูดก็เพื่อเป็นสิ่งเวทลอ้อมให้กับผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติก็ได้สิ่งเวทลอ้อมเนื่องจากคำพูด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 ใช่ไม่ได้เราต้องเป็นตัวปฏิบัติเราต้องจัดการจัดสรรให้ชีวิตของเรามีความรู้สึกตัวไม่ใช่รับขังสัญญาณบอกจะลุกจะตื่นก็เช่นกันต้องลำดับลำนำํามนี่แหละมันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดหลายๆยอย่าง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 กำลังใจนี่พยายามเพียนพยายามลักษณะพิยามรืญาตท่าทางหน้าตายิ้ยมแย่มแจ่มใสจิตใจสุขุมโลภขอบสุขุมโลบขอบขหลายๆอย่าง ประดับตกแต่งก็จะให้เกิดพลังแห่งขับเคลื่อนในการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราไม่มีหลายๆอย่างมายกมวยช่างจังหวะมันอ่อนมันยากแต่ยกมวยช่างจังหวะทีหนึ่นแหละโอ้ยหง่วงนอน ปืดหนักเหมือนปีนเขกขึ้นเขาตัวปริบัติจริงๆมันต้องมีพลังห ล, หลายๆอย่างเสริมเข้าไปเพื่อให้เกิดการสะดวกแล้ง่ายทำความดีเนี่ยบางทีก็ยากถ้าทำไม่ถูกจังหวะทำครบชั่วข้อง่ายถ้ามันมีสิ่งไวลรอมที่ช่วย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 เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปพออบพอใจในการกร ะ, ะทำโดยเสมออจะฝืนอทีตรีปฏิบัติทำต้องฝืนเลยต้องสู้หรือไม่ได้สู้อะไรไม่ได้ฝืนอะไรทำให้ไม่ทันควารู้จุกตัวศรัทธามันมากวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมดไปเท่าไหร่บางทีเวลาทำความเพียร น, นี่ ถ้าจิ้มข้าวไม่เป็นของเจดีถ้าถ่ายถ้าไม่มีอะไรเลยของจะดีจะได้มีเวลาปฏิบัติเต็มที่มันคิดแันนั้นนะไอ้คนมาเดินไปน่นไปนี่โอ้ยเสียดายเสียดายยกมือไหว้ขอไปขอความปราาอยาให้ผมไปเถอะ บางทีบางคนกลัวเธอเขาจะไม่มาชวนกลัวจะเขาจะไป ม, มาเล่นด้วยเราเขาไม่มาเราก็ไปเองอ น, นั้นมันก็ไม่ไหวห <c oughs> สันโดดยินดีในเสนาชนะอันสงบอันสงบพอจะหลบฉลี ก, กันด้ก็หลบสลี ก, กัน ที่อยู่อาศัยก็เช่นกันชวนกันคุยชวนกันหลงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องเพียน <c oughs> <c oughs> เพียนนี่ยมันเพียนด้วยความพอออพอยใจแต่เพียนด้วยการบางังคับเพียนด้วยเรงโอกเกรงใจไม่ใช่แต่เรื่องของเราการปฏิบัต มีกติี่ได้างนั้นพออกคอใจสุดหัวใจอะลรยกมือสร้างจังหวะอะไรเดินจงกรมอะได้เส้นทางของตนของตนมันก็ภูมิใจเวลาใดที่มีกติกับเวลาที่มันลงกสึกว่ามีฝีเลย เวลาใดมันหลงมีสติมีฝีมือยกนิ้วให้ตัวเองมันจะเป็นอะไรคือมันจะออกไปทางอื่นมีวัตถุอื่นที่ชนให้หลงเรามีความรู้สึกตัวมีฝีมือนี่เรียกว่ายกนิ้วเราจะว่ายกนิ้วง <c oughs> <c oughs> ั้นลงาพอไปซ่อม ลดเสาอากาศเอาเท่าแกเขาโอ้หขอเจาะรูบโบเลยมันทำไมจะทำได้รืยเนี่ยแเราก็ไปบอกลกนอก้องคนทำเลยเขาก็บอกอผมจะทำดูเขาก็วางแผนไม่ใช่สูตรสำเร็จเขาคิดต้นคิดนี่ จับน็อตัวโน้นจับน็ตตัวนี้ไปครึงเกีียวตัวนั้นไปคลึงเกลีกยวตัวนี้มาปะเอาใส่ฟองฟางแผนทำอย่างนั้นอย่นี้แล้วเขาก็ทําไปทําไปด้วยความเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสเอาไาใส่ใส่ไม่ได้เอาทําไหมทําไปทําไปไม่นานเสร็จพอเสรจ็จแล้วเขาก็ปัดใส่แล้วก็ยกนิ้วให้ตัวเองดีดนี่วมืตัดนม คนที่เป็นนั้นบะการทำงานทำการบางคนก็ทำความสำเร็จเยอะแยะมาค้าขายประกอบอาชีพ <c oughs> อะไรต่งตางๆเข้าเป่าทำงานเข้าเป้า สมงานเขาเป้าก็ได้เงินเยอะมันโรงงานน้ำตาลผู้เขียวผู้นวยการเขาบอกเข้าเป่าพี่ที่หลวงพ่อเข้าเป่าอ้อยเต็มโคตา้าล่นโคตา้า <c oughs> แล้วเขาก็ได้เงินเยอะลูกน้องก็ได้เงินหัวหน้าชวนต่างๆ แต่ปีนี้มันแล้งในช่วงต้นฤดูฝนปลูกอ้อยมันก็าพู่ไปนอกเรื่องไปมันเปลนใชัไมขอบันทีเลยไม่ยาวในการปฏิบัติธรรมของมันตันนาะนแต่เริ่มต้นก็เริ่มต้นให้มันถูกถูกถ้าเล่นก็เล่นนะถ้าเล่นก็นจะเล่นตลอดไป ดัดตัวเองไว้เสมอใส่ใจช่วยโอกาสเพิ่มเติมปฏิบัติธรรมเก็บโอเทนนเก็บเอเทนี่ความรู้สึกตัวเก็บตกแก้โรคตายแก้โรคสุม่มมันมาโรคตายเราแก้ให้มันฟื้นขึ้นมามันจะหลงวัตถุที่ทำให้หลง เําก็หลงไปว่างก็แก้ได้ในความรู้จักตัวแก้ได้มันก็เล่นกีฬาฟุตบอลตะก้อมาลูกตายมาลูกสม้มามาลอยมาลอยลอยมาอย่างไรอาไว้ใช่กีฬาของขอแก้ได้ ความโลภความโกรธความร้งกิเลสตัณหามันไม่มาซื่ อ, อตรงๆมันมาแบบจู่โจมอะไรู้สึกตัวทันทีแก้ได้ทันขวังมีฝีมือยกขึ้นมารู้สึกตัวควรที่จะหลงกลายเป็นความโลภการที่จะผิดกลายเป็นความถูกการจะทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ และฝอมือของนักปฏิบัติก็มีความรู้ยสุตัวแล้วเราก็มีหลักจริงๆการปฏิบัติหลักของเราก็มีฝีมือสร้างเรียกว่ามีอารมณ์มด้วยเป็นหลักเหมืนอนโพดกับเมื่อวานมันได้หลักได้ที่แรกก็บปินศรัทธา โดยมีความเขียนมีสติด้านสติดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมูไปดูมามันได้เห็นลูกเห็นนาำเห็นลูกเห็นน้ำมันก็ได้เครื่องมือมาแก้มาไขมันคนไปลื้อลดช่องลดสร้างบ้านสร้างเรือนมีเม็ดมีสิวม่ค้อนไม่ขวนตรงไหนที่จะเจบอะไรก็จับเครื่องมือมาใชา้ ต้องไหนที่จะเลือ่อยตรงไหนก็เอาเพื่อเพิ่มไว้ใช่การได้อารมณ์ของกรรมาฐานก็เช่นกันเอามาใชา่แต่ก่อนเราเรียนรู้ใชไ่ไหเป็นศรัทธาปุริยะสติสมาธิตัญญาที่เป็นพลังเราเรียนได้แต่ถ้าเราไม่ได้ใช่ใช่ก็ใช่ไม่เป็นใช่ก็ใช่ฟุ่มเฟือยกองกันไว้ อม่จำเป็นเอามาหยิบมาใช้เล็กๆน้อยๆเห็นลูกทํานามทําบนเห็นบาปเห็นศาสนาเห็นพุทธศาสนาเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นวิธีดับทุกและดับทุกได้เล็กๆน้อยๆไปมันต้องดับได้นะทุกความโลภความโกรธความหลง ก, ก, ก, ก, ก, ก็ดับได้ แก้ได้อารมณ์รูกอารมณ์ของกรรมาฐานมันเพื่อการนี่โดยตรงกระตือเร่รนคื่จะจใช้ธรรมะเป็นเครื่องมันรูก ม, มันก็บอกนามมันก็บอกธรรมชาติอาการมันบอก ฝ่ายอุศสคือมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาฝ่ายอุศสนก็คือความหลงม่มีสติคงแตงไม่สำรวม่งสา่พยาบาทห่วงซึ่งมันฝ่ายอุศล ระดูจับชัดเจนมันมิตรกับศัตรูกัญยาณมิตรอยู่ที่ไหนศัตรูขัวอะไอยู่ตรงไหนมรุลกลีกร่วมกับกัญยาณมิตรกัญญาณธรรมมีกติแล้วก็เห็นแจ้งใน อารมจิ่งนี้มันเกิดอ ย, อยา่างนี้อย่างนี้จิ่งอย่างนี้มันไเกิดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอันไหนที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อันไหนที่ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์ผมทุกข์มันก็ใช่ไม่ได้มันก็หยิบม็นก็ไม่ทุกข์ม่ใช่หลุดไป หลุดไปได้ในฝีมือคนที่ปฏิบัติธรรมันมีอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงหายไปมันก็ต่างกับความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่หรือไม่หายก็เบาบางลงไม่เป็นพละมาก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 แต่ว่ามันไปคนละทางนั้นทางสี่แพง่งห้าแพง่งมันอยู่ที่เดียวกันแต่มันไปคนละทางเราก็ตั้งต้นที่เหตุนี่ดีที่สุดแม่น ย, ยำที่สุดไม่ไปทางอกุศลไปทางกุศลความรู้เป็นกุศลความหลงเป็นอกุศล ความทุกข์เป็นอกุศลความไม่ทุกข์เป็นกุศลมันเกิดที่เดียวกันแล้วมันก็เกิดจากการกระทํามันก็เป็นบาปมันก็เป็นบุญจริงๆแล้วก็เห็นจริงๆไม่ดือ้อแต่ก่อนเราไม่เห็นเพรไม่เห็นเราก็จะว่าเราดื้อก็ไม่ใช่เราไม่รู้ วันนี้เราเห็นพราเราเห็นเราไม่ดื้อไม่ดื้อทุกไม่ดื้อหลงไม่ดื้อไม่ดื้อโกรธแต่ก่อนเราไม่รู้พอมาเห็นแล้วเราบอกโซวาโจ ว, ว่าง่ายสอนง่ายง่ายกว่าเก่ไม่ไปทางโน้นมาทางกุศล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 ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องคนมีสติคนทำความดีคนละความชั่วคนมีสีลนีน่มันมีอารมณ์อารมณ์มช่วยเราประครับประครองในการปฏิบัติและมันก็บอกเราจริงๆและตัวเรานี่แหละบอกเราผิดโตกพอเราผ่านมาของผิด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 นึกใสขึ้นมีนิกใสที่จะทำความทุกข์ไม่ให้มีความทุกข์ทำความหลงมาให้มีความหลงทำความโกรธไมให้มีความโกรธมันได้นึสัยแบบนี้แล้วก็ที่เปิไปเรื่อยมันก็ผ่านไปเรื่อยทําอย่างเดียวมันผ่านหลายอย่างแต่ก่อนทำหลายอย่างมันผ่านได้น้อยผ่านไหมว่มา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 หวนดมนพอค้าลองปุดเทียน่ันบอกว่าไปนั่งกินกาแฟด้วดกันชั่วโมงหนึ่งก็ได้เงินเป็นแสนแล้วเป็นล้านแล้วก็มีวันพีนไม่ทาอะไรไปนั่งกินกาแฟคุยกันจบลงกัน ขายกันผมไม่ฝ่ายอยู่เท่านั้นตันเท่านี้นตันผมซื้อมาตันละเท่านันบาทจะให้ผมตันละกี่บาทก็เพียงกินน้ำชาคุยกันก็ไปคุยกันได้เงนินแล้วเขาก็จ่ายเงนินแล้วเขาก็เอารถไปทุกเอาเองมันสะดวก <c oughs> ถ้าเป็นพ่อค้าเต็มตัวของขนก็ไม่ต้องสร้างยุ่งสร้างฉาบแล้วก็คุยกันไปในข้าอยู่ที่นั่นกี่กระสอบในโรงเสียนั่นกี่กระสอบในโรงสียนี่กี่กระสอบในโรงสียนนกี่กระสอบรวมเป็นกี่กระสอบวันนั้นเรือใหญ่จะเข้ามาเอาข้าว แล้วก็บอกเอาข้าวไปลงเรือเอาไปท่านั้นสอบกิโลละได้กําไรกิโลละสตางค์สองสตางค์แต่มันจํานวนมากก็เอาไปเขาก็สะดวกเขาเป็นพู้ค้าแต่เราเนี่ยตัดมันทั้งวันกดอ้อยตัดอ้อยทั้งวันกดมันทั้งวันทํางานทําการมันก็ยังไม่พอ การปฏิบัติธรรมก็เหมือกันถึงข่าวมันสะดวกขเขารู้ว่าสะดวกเอาวิ่งเอาวิ่งเอาเหมือนรถที่วิ่งทางนั้นคนประสานพาหลวงพ่อมาจากประยองวิ่งทางมอเตอร์เวย์วิ่ ง, ง, งเอาวิ่งเอามันได้โอกาสคนปฏิบัติธรรมก็มีโอกาสมันต้องมีโอกาสแน่นอน การบรรลุธรรนะมนี่ในความสะดวกเปิดทางให้เราเสมอเรียงนั่นนั่นความชั่วเราก็ละออกมาแล้วความทุกข์เราก็ละมาได้แล้วความรังเลยสงสัยเราก็ละมาได้แล้วความโมโหหอนอนเราก็ละได้มาได้แล้วพรจ้าบาทกามรมละคะทั้งอผีน้ำมีท่าอะไรเราละมาได้แล้ว สิ่งที่เราไปพิรูปก็เห็นเราเห็นมาแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นตรงไหนที่ไม่รู้เรารู้แล้วแต่ก่อนเราไปรู้ลูปรูปนะวันนี้เรารู้แล้วนะมันสะดวกแพงแต่รู้สึกตัวก็ไปหลายอย่างทำค ว, วามชั่วทําความดีกิดบริสุทธ์นะ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 เรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องนมามธรรมก็ยิ่งไปกันใหญ่อตอนปฏิวัติธรรมนมันเป็นไปทํานองนั้นนี่ศีลอันยิ่งแต่ ก, ก่อนศีลธรรมดาแต่มีศีลอันยิ่งแต่ ก, ก่อนก็มีสมาธิธรรมดานี่สมาธิอันยิ่งแต่ ก, ก่อนก็มีปัญญาธรรมดาแต่ต่อมา ม, มีปัญญาอันยิ่ง เป็นสีลขันทีเข้าไปเป็นสมาธิขันทีเข้าไปเป็นปัญญาที่ขันทีเข้าไปมันละไปกามมิสวะมันละกามภาวะสวะมละพบไม่มีพบอวิชชาสวะมันไม่มีอวิชชาในความรู้รู้โป่งใสนะ เหมือนคนทางานทำการปัดมืองสะอาดปิดตัเคียนได้สมายเคยมาตรวจสอบก็วางปุ๊กวางปุ๊กก <c oughs> ารปฏิบัติทำเครื่องกันตรวจสอบบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริวูร์สิ้นเชิงมันมีนโอกาสเหาือกันนะการเจริญสติเนี่ยวันนี้มันเป็นอารมณ์ ของการปฏิบัติมันก็เกิดอันนี้สงแก่ผู้ปฏิบัติไม่มีอันนี้สงอย่างไรเป็นความหลงเนะี่ยมันกลายเป็นความรู้ไปแล้วความโรกรธกลายเป็นความไม่โกรธไปแล้วความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ไปแล้วมันอยู่คนละพบละชาติแล้วความเกลียดชังความอิจฉาพยาบาทมันลืมพบลืมชาติไปแล้วเนี่ย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 ปวบโลกผมหลงกิเลสตัณหามีไออุ่นสะดุ้งสนอดอมันเย็นลงแล้วนะมันฐานไปที่มันเย็นแล้ววางเศษขาอ่อนมันก็ไม่ต้องสะดุง้งตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตใจมันคิดมันเย็นแล้วแต่ก่อนตรงนี้มันไม่เย็นมันร้อน หลังที่พุเจ้าจแสดงธรรมอธิตตะเรียยสูตรตาหูจมูกีิมกายใจลูกลถกลิ่นเฉียงมันทำให้ร้อนทำให้ร้อนมันนอนไม่ลงสอกๆอกอกอกมันหยุดไม่ได้มันรับใช้มันเป็นทาสเราสั่งงานสั่งการมันเป็นทาสตอนนี้เราเป็นนายขึ้นมานี่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 มันได้สูตรมันได้หลักจะมองลงไปเป็นรุน่นเป็นก้อนตาที่ยมันก็เป็นวัตถุจะมันเห็นได้มันก็เป็นอาการมีวิญญาณวิญญาณล้นล้นไม่มีอุปท า, านแล้วก็ใช้สําเร็จประโยชน์เพราะบรรลุทำทางตาบรรลุทำทา ง, าทา ง, ทางหู มันรู้ทำทางโฉมทางกลิ่นแต่ก่อนมันเป็นโลกวอนนี้มันบรรลุธรรมเพราะเรื่องโลกบคนมีโลกรักษาโลกหายโลกของตาของหูแต่ว่าโลกคือลูกคือรสชาติหูมันมีรสชาติหูกับเสียงมีรสชาติ จมูกกับกลีบมันมีรสชาติรักษาโลกอันนี้มันหายนะมันก็เลยไม่มีรสมีรสอันเดียวคือสัพพะรดสังัถะรดโสมีรสพระธรรมไม่ใช่รสตารสหูจมูกรีนกายใจลูกรสกลิ่นเสียงมันก็พ้นไปลนงนี้าการปฏิบัติธรรมนะ ก็ต่างเก่าร่วงพ้นภาวะเก่าอย่าไปคิดว่ามันจะล้ันโน้นล้วนนี้นอกตัวไปไม่ใช่นะันรลุธรรมแล้วท้องจะเป็นจากโน้นจากนี้นมีลิ์ปีอภิเหารนแล้วคนเราก็มองไว้ตรงดองนะจะให้บอกเลขบบอกหนวยจะให้มีิท ธ, ธิ์ท่ยิงไม่แหงแทงไม่เข่า เหินเดินฟ้าผมเดเพาก็มองลึกลับไปเช่นวันหนึ่งมีชาวต่างประเทศมาเามากระติงหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกสันทนากับเขาที่ต่อยก็บอกเขาออกไปศาลาไปพบกันที่ศาลาหน้าเขาเดินไปออกก่อนหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เดินตามหลังเขาไปแต่เข้าคนลับประตูขเขาเข้าประตูทางด้านทิศเหนือหลวงพ่อเข้ประตูทางด้านทิศใต้แต่เขาก็ไม่ดูหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ไปนั่งก่อนเข า, ท, าทั้งที่เขาเดินไปก่อนหลวงพอ่อหลวงพ่อไปนั่งสลาก่อนเขาเพอไปนั่งสลาหลังหลวงพอ่อพอไปนั่งสลาก็เห็นหลวงพ่อนั่งอยู่อ๋อห ล, ลวงพ่อาทำอะไรเขาก็ ไม่ว่าหลวงพ่เนรมิตตไอ้เจมก็เดินตามหลังเขาไปนั่นและนะอ้เป็นไปได้รือผมก็เดินมาผมประมาณตั้งไกลแล้วหลรงยังไม่มาเลยเอา้าหลวงพก็เดินมาด้วยกันอยู่แล้วม อ, มองอะไรมันมองแบบลึกลับมันไม่ใช่เดินดินไปด้วยกันกินข้าว ก, กินด้วยกัน ผ่านลอนผ่านหนาวไปด้วยกันนี่ปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ลึกลับไม่ใช่หลบซ่อนมันเป็นของจริงจริงเห็นจริงจริงละความทุกข์ก็ละได้จริงจริงละความโกรธความโลภ ค, ความหลงไม่วิตกกวงวลความพยาบาทพวกเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรเกลี้ยงไปเลยเนี่ยนะปฏิบัติธรรมให้มันเกลี้ยงไปเลย บริสุทธ์ไม่มีอะไรที่มีกินแหงแขงใจในชีวิตรเราเห็นใครเห็นใครในอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเราเป็นมิตร เ, เป็นเพื่อนเขามีอะไรในโลกนี่มีนินทาสรรเสริญหรือไม่ได้มีเสียมีสุขมีทุกข์หมอกเป็นสมบัติของโลกธรรมชาติของ เราก็ลอยมาได้พ้นมาได้แต่สิ่งเหล่านี้มันยังมีอยู่เพราะมันเป็นโลกมันมีอยู่เราสว์โลกก็ติดด้วยอารมณ์ของกรรมฐานล้วก็เห็นไปอย่างนี้เลยนนทาก็ยังมีอยู่ฉลิมเฉลิก็ยังมีอยู่ได้เสียก็ยังมีอยู่สุขทุกข์ก็ยังไม่อยู่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 ่าไปห้ามเขามันไม่ได้แนละ้วห้ามไม่เขานินทาห้ามไม่เขาสละเสริญมันไม่ได้ถา้าสมบัติของโลกมันเกิดมาอย่างนี้โลกเนี่ยแล้วก็มีสมมุติโอ้ยไปเห็นสมมตินี่อัตโทะเหมือนกับเขาไปเป่าฝุ่น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 มันต้องมีอะไรเปลี่ยนไปในจิตนิใสใยไม่ต้องไปวันลุทํามที่ต้องโอ้ยสว่างสวัยกังคืแนแสนแสนสว่างเดินไปไหนไม่ต้องให้แสงไปไม่ใช่อั้นมันเป็นนิมิตะอย่าไปหลงมีเหมือนกันบางคนก็เป็นนิมิตแบบนั้นผมก็เคยพูดให้ฟัง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 แล้วหลวงพ่อก็จุดตะเกียงมันเป็นป่าเราบอกว่าหลวงพ่อกไม่ต้องจุดตะเกียงผมมีแสงสว่างแล้วบางเดี๋หลวงพ่อก็ไม่เห็นหลวงพ่อต้องจุดตะเกียงคุยกันอ่ามันอรัมันเป็นนิมิตมันเป็นแสงสวาง่างโอภาสแสงสว่างมันเป็นอารมณ์ของนนมิต เอารมของวิปัสสนูก็ได้อันนไม่ใช่แต่ไม่ได้ ว, ว่าตัวเองบรรลุธรรมถ้ามันเกิดอย่างนั้นนะมันเป็นนิมิตแล้วการบรรลุธรรมพ้นจากความหลงพ้นจากความทุกข์พ้นจากความโกรธมพมีศีลมีสมาธิมีปัญญานตะ้องมีศีลก็มีบรรลุธรรมขั้ น, นคนสมาธิคนมีสมาธิก็เป็นการบรรลุธรรมขั้นหนึง่ง คมเป็นปัญญายกตนออกจากทุกข์ก็มีการเป็นการบรรลุธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้การบรรลุธรรมฉลาดกโกเกลแต่ก่อนมันโง่วันนี้มันฉลาดนี่แหละบรรลุธรรมแต่ก่อนมันหลงวันนี้มันไม่หลงเรียกว่าบรรลุธรรมแต่ก่อนเคยโกรธวันนี้มันไม่โกรธเป็นการบรรลุธรรมมันล้อนใจนะวนี้มันเย็นแล้วคือบรรลุธรรม มันต้องเป็นธรรมนองนี่นะอย่าไปเอาอะไรลิทธิปฏิหารศาสนาก็คือเราเป็นคนดีไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นมีกายก็ทําแต่ความดีมีใจก็ทําแต่ความดีมีวาจาก็พูดแต่ความดีแต่คิดก็คิดในทางที่ดีดีจะทําก็ได้ทำแต่ความดีวไม่เป็นพระไม่เป็นคนอื่นเป็นทุกข์การมารู้ทํา ศาสนาคือคนคนเป็นคนดีแต่มีบุญกับคนนั้นเป็นคนใจดีแล้วรู้ผิดรู้ถูกแล้วความชั่วทําความดีแล้วหรือว่าเป็นคนมีศาสนาเป็นคนมีบุญใจดีกว่าเขาไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่วิตกกังวลใจเขาดีแล้วจะมีกี่วันกี่เดือนเขาใจเขาก็ดีแล้วจะมีกี่นาทีพี่นาที ไม่ใช่คนรลายคนดีคนไม่บุญปีจัยเขาดีคนฉลาดก็คือคนมีกุศลคือเขาฉลาดแล้วไม่โง้คนมีปัญญาก็ยกตนออกจากความทุกข์เป็นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผลส่งผลส่งให้พ้นจากห่วกหิวพ้นจากาห่วงน้ําคือกิเลสตัณหาไม่ต้องแวกต้องไหว คมทุกข์มันก็มุดลงไปในห้องน้ำมุดลงไปคนที่อยู่ในห้องน้ำต้องรอยต้องรอคอยต้องไหวต้องมดุดคนที่ขึ้นฝั่งก็ไปต้องมุดอีกแล้วพนจากห้องน้ำนี่ปฏิบัติธรรมนะคนนั่งอยู่บนฝั่งคนลอยอยู่ในน้ำ เขาก็สนุกนะสลอยอยู่ในน้าโบราณทันว่าตุ่มเตอือนวังเวิน เ, เตือนเตือนหนุ่มสาวตีกองน้ำวังเวิน เ, เตือนเมีเจ้าเอินตัวเจ้ากระโปลเดียวได้ยินไหมคนท่ากลางมาเคยได้ยินนะอันนี้เป็นธ ร, รมเนียมของคนอิสานกองน้ำก็คือลูกรถกินเสี่ยงหนุ่มสาวตีกองนา้า ตัวมอือในใจลูกลถกินเสียงมุดอยู่นั่นแหละจอมอยู่ในลูกในรถในกินในเสียงแม่ก็คือพระธรรม <c oughs> พระธรรมอ่าเลียกไม่มาแม่เจ้าเอื้นตัวเจ้าพู้เลียวในศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่จำเป็นลูกอ๋อ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 จะมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไปนานเสียเวลาเกี่ยวกับความโลภความโกรธความหลงเสียเวลาอยี่กับกิเลสตัณหามันไม่มีอะไรมันพั่วน้ำเหลวอะไรนะ้าเป็นคนหนุ่มพาเป็นคนแก่ก็เอาแล้วผ่านมาแล้วอนองบริสัทนผ่านมาแล้ว ม้ตรงมาหลอกกันอีกแล้วบะไรเราก็แค่นั่นเองแค่นั่นเองเป็นแค่นั่นเองเหมือนอาจารย์พุทธทาสว่านี่นะปฏิบัติธรรมไปอย่างนี้แหละไปดีวิเศษอะไรวิเศษก็คือพ้นลูกลูกพ้นภาะวะเก่าอวิเศษนำไปสู่ ความวิเศษคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความไม่ทุกข์ใ <c oughs> นตอนนี้เราเนอยนีหลงแต่หลงทางแต่ไปเห็นอะไรที่มันติดติดสุขติดสงบติดลู้ติดปิ ต, ตินั่งคืนทำลายตัวเองอิม่มแทบนะเคยเป็นนรกหรอนะ เป็นน้ําลายตัวเองนี่ยแสบแสบไปกินข้าวก็ได้ลนะมันเป็นปิติไปแล้วต้องกินข้าวแล้วก็เป็นโรคกระเพาะแล้วหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นโรคกระเพาะตอนที่จะเอากลางคืนมาเป็นกลางวันจะเอากลางวันมาเป็นกลางคืน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 สามสี่ทุ่เนี่ยสองสามทุ่มเน่ยหิวข้าวสองสามทุกเนี่ยเป็นเวลาเราฉันข้าวใช่ไหมนี่มันเป็นสองทุ่มของเขาตรงกันข้าวหิวข้าวอลไรไปนอนไม่หลับพรกลังวันของเขาเนี่ยโอ้ยง่วงอะไรไปนะโอ้ปวดที่จะตับได้มงไปเลยมุนหัวมันหอน อไม่ต้องมาดัดแปลงมันแต่ไหนแต่ว่ามันก็นกินน้ำแล้วลพ่อหิวข้าวกลางวันเองง่วงซึมไม่อยากกินข้าวนะมันอยากนอนเดินไปไหนกันบเบ ầu าเบาวิววิวใช่ไหมลองดูซิกลางคืนอยวต้อนลองดูซินั่งเดินไปมันเบาเบเบาตัวลอยลอยซึ ừ, มซึมนะไม่ใช่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 เสร็จแล่วถ่ายแล้วข้อห้องน้ำแล้วสดชื่นแล้วแล้วกัางวันไม่ต้องมีภาระเดินทางไปไหนไปไหนะอถ้าเราหัดเ้านะอันนี้สงไหโอ้ยหลายประกา